ทำงานเมื่อวานะมุงหลังคามีอยู่ทั้งหมด9หลังเมื่อวานเนี่ยกลังลือครัวใหญ่ปี28ปีตั้งแต่ปี28นะลูกหลานนะกระเบื้องปี28ปีนี้ปี60กี่ปีแลนับเสินับข้อมือดูดูดูแล้วก็ทั้งลิงกระทงกระแทก ลิงของเราไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเป็นลื้อหลังคาเราก็เลยเห็นว่าสมควรที่จะเปลี่ยนใหม่ซะก็เลยเปลี่ยนกำลังลือ้อเมื่อวานหลังแรกหลังครัวปีสองแปดแล้วก็กุติปีสามหกชาลาประชาคมกุติปีสองแปดาลาหอฉันเก่า กุฎิปี29ก้ากุฎิปี30กุฎิปี37มเจหลังรวมแล้วเป็นเงินรวมทั้งค่าแรงค่าอะไรด้วยทั้งหมดเป็นเงิน6กแส0หกแสนห้บาทแต่คิดว่าพอในในรถนี้นะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานผู้มีศรัทธารวมกันคิดว่า แต่จะต่างยังไม่มาแต่ ว, ว่าพูดแสดงความจำนงคือว่าพอในล็อตนี้นะล้วก็คงต่อไปก็คงจะลอดอื่นอีกที่เนี่ยที่ฉันน้ำร้อนที่ลงเราที่ลงตุ่มน้ำของพระห้องสมุดกุฏิของหลวงพ่อกระเบื้องทั้งหมดก็คงจะเปลี่ยนเป็นลอ็ลอตไป ขาเนี่เขาเป็นเปลี่ยนรถในชุดนี้ประมาณ8ปดหลังคาแปดหลังรวมแล้วประมาณหกแสนกว่าแต่กว่าไม่หนักใจหรอกค่อยๆทําไปเรื่อยๆมีมาแล้วก็ค่อยทําไปถ้าผู้แสดงความจํานวนอยากจะแสดงความจํานวเป็นหลังๆก็ได้เป็นหลังๆก็ได้ทาผู้ที่อยากจะสร้างกุฏิที่มุงที่บงัง เออผู้ฆ่าเน่ยเกิดมาพบนิชาตินี้ทําไมมันมีแต่เรื่องร้อ น, อนรนกวนกวายวะเออมงหลังคาศาลาให้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมในวัดในวาผู้ที่มารักษาศรรีลมาภาวนาในวัดในนั่งกุฏิของเราได้ภาวนาในกุฏิของเราเใจของเราคร อ, อบครัวของเรา กิจการงานของเราคงจะร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะเราได้ทําล่ำเงาไว้ให้ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมได้สำเร็จมรรคหมดผลอย่างน้อยกัจิตใจได้รับความสะดวกสบายได้รับความสงบล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละดีกว่าได้เงินมาแล้วมากตอนเก็ไปอ้องเหาะไปหาสื่อจะเลขสองตัวเลขสามตัวแบบอกรถตลี เ <ś led> <ś led> มนบอกพอจุจิตดีกว่าจังสันอย่ได้หลวงพ่อว่าซื้อลังคาสังกษีอะไรรุ่นใหมนะ่มามุงลังคาอย่างน้อยพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ัทธาญาติโยมก็มาได้พึ่งร่มเงาเป็นทุนทรัพย์ของเราล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละถ้าเราคิดในกว้างขวางกว้างไกล จากนั้นก็นตั้งความปรารถนาสาธุเนอร์ผู้ข้าได้ทาบุญได้มงกุติศาลาสถานที่ปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมความร่มเย็นเป็นสุข ก, ก, กายสุขใจให้เกิดกับข้าพเจ้าตลอดไปจนถึงมรรคผลนิพพานโดยเทอญนะปรารถนาได้ทั้งนั้นแหละถ้าเราทำคุณงามความดีแล้วนะอันนี้ก็แต่หลังใหญ่ อย่างชะลามเมื่อวานก็มีพูดมีเจ้าภาพแล้วละ่ะแสนแสนสี่หมื่นสามพันแปด้อยสิบาทห้าสิบห้าชะตังจากนั้นก็เนี่ยหัวชั้นเก่าตรงหัวชั้นเก่านี่กันหนึ่งแสหนึ่งหมืหกพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าะตังเนี่ ย, 6, ยมีรายงานทั้งหมดของทุกอย่างมันต้องมีรายงงรายงานที่หลวงพ่อเร่ก อ่านในได้ฟังนะกุติแต่หลังประมาณหลังละห้าหมื่นก็มีแต่ละหลังบางหลังใหญ่นะไม่ใช่หลังเล็กๆห ล, ลังสองกองนอนสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมแต่นีธทําทางฝ่ายผู้หญิงซะก่อนฝ่ายอุบาสิกาทางฝ่ายพระเนะ่ยยังไม่ได้ทําทางฝ่ายพระเอาไว้ก่อนเน้นไปทางฝ่ายอุบาสิกาให้จบๆพอทำมันก็ทํามันจบๆไปซ้เพื่อไม่ให้มันคุกคีตีโมงในส่วนนั้นฮะ นี่ก็คือเสนาจนะแต่เมื่อคืนนะครับหลวงพ่อลงไปดูใกล้ๆค่ำเสียงฟ้าร้องเห่าๆห่าตายๆตยอยากน้อยทำไมตกถูกลังคากับมันตกรถสังกะสีที่ทิ้งๆทงไว้กับพื้นใช่ไหมล่ะก็ทำให้สังกะสีทิ้งไว้กับพื้นเสียหายนะลูกหลานนะแต่เรายังไม่ได้มุงนะถ้าทิ้งไว้เนนาน น้ำไปแช่ในสังกะสีทำใหสส้สีสีสีมันด่างเหมือนกันนะถ้าเอาขึ้นหลังคาไม่เปไ็นไรเพราะมันตกถูแล้วมันไหลไปเลยมันก็แห้งทามันแช่จีบกันอยู่น่ะน่ะน้ำขังไม่ดีเลยแตสังกะสีน่ะเสียสีเสียเมื่อคืนเนี่ยหลวงพ่อก็เลยไล่มนจมคาถาเป่าก็อยู่ยเมื่อคืนอย่าเด้อฝนเด้ออย่าเด้อรอรอจะก่อ น, นเน้าฝนเด้อ ไอ้ลวงพ่อมุงสังกษสาสังกมุงรังคาจบซะก่อนนะเทพเจ้าเหล่าเทวาภูมิมลูกขาเทวดาช่วยดูแลฝนหนอยจะให้มันตกเนิอในช่วงนี้นะไม่ตกเมื่อคืนตกพ่อปกแปกน้อยเดียวแล้วันนี้เป็นวันที่สามสิบมีนาคมพุทธศักราชสองพห้าร้อยหกสิบพระในวัดของเรา ที่มาทั้งหมด3าภาในวัดของเราคันนี้39รูปนะสัายาญาติโยมลงมาชั้น32งดไปแปลงไม่ลงมาชั้นตามปกติวัดของเราก็ไม่ได้มาชั้นพร้อมกันอยู่แล้วนะใครจะอดอาหารภาวนาก็ส่วนตัวก็สุดแท้แต่ภาวนาของใครของเรานะ แต่ถึงยังไงก็นะให้อยู่ในกรอบเท่านะั้นไม่อดอาหารไ ป, ไปทําอย่างอื่นไม่เอาไม่เอามันต้องอยู่ในกรอบกรอบกดระเบียบไม่ฉันอาหารตอนเช้าไปหากินมาม่าตอนเย็นอย่างนั้นไม่ได้นะท่ารู้หรอนไล่นี้ออกจากวัดทันทีนะคือไม่ฉันก็ต้องไม่ฉันอดก็คืออดมาฉันก็ต้องมาฉันอเราไม่ได้ มีนอกมีในอะไรทั้งหมดทาวินันของพรดุทธเจ้าความชั่วนะถึงจะไปจับในที่มืดจับในที่แจ้งมันก็ร้อนทั้งนั้นเราเป็นไฟนี่ก็เหมือนกันความชั่วเนหะมือนกับไฟนะแล้วก็ขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านโลกสมัยทุกวันนี้รู้สึกว่าพอฝึกวิชาความรู้เข้ามาคล้ายๆกับมีความรู้แต่ก่อนก็ มีความรู้ในระดับหนึ่งแต่ทุกวันนี้มีรูความรู้มีหลายระดับใครก็ว่าใครใครก็มันสันกว่าตัวสันกว่าต่อนคนโบราณเขาว่ า, ว า, า, วานะไม่มีใครยอมใครเพราะอะไรเพราะต่างคนก็ต่างมีความรู้นะแต่ว่าตามไม่จริงความรู้ทุกคน ท, ท, ทุกคนในเกิดมาเป็นมนุษย์มันต้องมีความรู้นั่นแหละแต่มันรู้มากรู้น้อยต่าง บางคนก็ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคนโบราณเขาก็พูดอย่างนั้นไว้อีกทําไมแต่ว่าพอมีความรู้ขึ้นมาแล้วก็ขี้เกียจไม่ปฏิบัติตามมีแต่รู้เฉยๆไปปฏิบัติตามที่ตัวเองรู้ความรู้น่นก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงจะรู้มากขนาดไหนก็เถอะไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์ ได้ความรู้แล้วเอาความรู้นั้นไปขยายผลไปบอกกล่าวไปแนะนําสั่งสอนคนอื่นอันนั้นก็ยังเกิดประโยชน์เพราะว่าให้ความรู้เป็นทานหรือให้ความรู้เป็นวิทยาทานอันนั้นก็เกิดประโยชน์ถ้าวให้ความรู้ไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยอันนั้นเลิศประเสริฐท้าว่ามีแต่ความรู้เฉยๆเรียนรู้มาแล้วสอนคนอื่นตัวเองไม่ปฏิบัติอันนั้น ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตําหนินะในพระในครั้งพุทธในครั้งพุทธการว่าโปธิรัตรพระโปธิรัต ร, รู้รอบจบพรไตปิฎกปิดกแต่ว่าสอนทุกคนอื่นตัวเองปฏิบัติไม่ได้เขาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกโปธิรัตรโปธิรัตแปลว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าใบลานเปล่า ท่านโปธิรัต ท, ท่านใบลานเปล่านะไปที่ไรกับพระพุทธเจ้ากระทักอย่างนั้นจนพระโพธิรัตพระโปธิลัตนี่จะดุ่งเลยน้องมองตนเองหรือใเราก็โปธิรัตจริงๆใบลานเปล่าจริงๆจากนั้นพระองค์ท่านโปธิลัตก็ปลีกตัวไปหาภานาไปปฏิบัติอจึงได้เป็นใบลานเต็มนะอันนี้สรุปแล้วก็คือในหลักของ พราพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้เฉยๆแล้วจะเก่งไม่ใช่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีแต่งค์เยอะแยะความรู้เก่งๆอยู่แต่ภาคปฏิบัติระหว่านําไปสอนคนไม่จริงจังและไม่จริงใจอันนั้นก็มีมากตัวมากเหมือนกันเพราะฉนั้นคนโบราณเขาจึงเปรียบเทียบให้ฟังว่าความรู้ของมนุษย์ชาตินี่บางคนก็เนี่ย พอความรู้เข้ามาแล้วรับอย่างอื่นไม่ได้พอได้รับเข้ามาแล้วไม่ยอมรับอย่างอื่นบางคนก็ไม่ยอมรับเสียเลยแต่บางคนก็แบ่งรับแบ่งสู้แต่บางคนรับใครมารับทั้งหมดท่านก็เลยเปรียบเทียบเหมือนกับ แก้วน้ำแก้วน้ำชาสีใบคนโบราณเขาเลยเปรียบเพียบน้ำชาก็าคงจะเป็นคำพูดของประเทศจีนกระมังเป็นเป็นความรู้ของคนโบราณของจีนกรน้ำชาใช่ไนะเราก็ได้ยินว่าเปียบเมือน้ำชาสีใบแก้วหนึ่งใบชาถ้วยหนึ่งความควาก้นเอาปากมาลง ความพงอพวกเราก็คงเห็นมไหอไปเห็นเอาถ้วยความหน่อยสิแก้วความหน่อยสิแก้วน้ําชาความสิมันเป็นยังไงอแล้วก็ใบหนึ่งก็ตั้งตั้งขึ้นมาหงายปากขึ้นมาใบหนึ่งก็เหงายขึ้นมาเขาเทน้ําใส่ครึ่งแก้วแต่ใบหนึ่งมาตั้งขึ้นมาแล้วน้ําเต็มแก้ว เขาเลยเปรียบเทียบกับความรู้ของมนุษย์เนี่ไ้ความรู้ของคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะมันลักษณะอย่างนี้นะเหมือนกับน้าเหมือนกับแก้วสี่ใบเนี่ยคนประเภทหนึ่งไปว่าไม่ยอมรับใครเลยทิฐิมานะสูงมากใครพูดยังไงไม่รับฟังทงนั้นอ อ, อันนี้แปลว่าพวกนี้ประทะประมะเหมือนกับแก้วน้ำข่ม ไม่ย อ, อยอมรับดีไม่ยอมรับชั่วออประเภทอย่างนี้โง่เง่าเตาตูนก็ว่าชายมีส่วน เ, ออเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ความคิดออถ้วยน้ำชาความ่มไม่รับอะไรทั้งหมดออใบที่สองพ่องออไม่มีน้ำแก้วใบนี้พร้อมที่จะรับได้ทุกคน ที่ใครแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมารับไรรมดแต่ส่วนจะการกรองไตรตรองด้วยปัญญาอนั้นยังอีกส่วนหนึ่งแต่ใบที่สามน้ำขึ้งแกวรองรับใครมาก็รับท้องตัวเองก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็มีครึ่งครึ่งหนึ่งแต่ก็คอยรับคนอื่น เวลาไปไประชุมปรึกษาหารือกันที่ไหนไม่ใช่ว่าตัวเองจะพามามไม่ไ้้หมดไม่ใช่ฟังพูดเอาพวกท่านทั้งหลายพูดรนะับฟังตัวเองก็นั่งฟังที่เขาพูดแสดงความคิดเห็นพอฟังขึ้นมาแล้วอึ้งตัวนี้ดีอึงตัวนี้ไม่ดีเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มเติมความรู้ของตนเองแปลว่าให้มันเต็มตื้นขึ้นเพราะตัวเองก็มีความรู้อยู่แล้วครึ่งแก้วนะ แล้วก็บประเภทที่สี่นี่ยน้ําเต็มแก้วแปลว่าพองตัวพยองพองตัวนอกจากข่าแล้วไม่มีใครที่จะเหนือข่าข่าได้ข่านี่เลิศประเสริฐกว่าใครทั้งหมดอันนี้ประเภทน้ําเต็มแก้วพวกนี้ใครครอย่าไปสอนเขาเลยจะไปบอกเขาเลยจะไปคบค้าสมาคมดีที่สุดพวกนี้แต่ว่าถ้าว่าเขามีความรู้จริงเขาถ่ายเท ถ, ยถ่ายทอดขึ้นมาจริงอืออเราก็พอจะฟังได้ แต่ที่จะให้ความรู้กับเขาหรือว่าแสดงความคิดเห็นกับเขานี่เขาปิดหมดเพราะเขารู้กว่าใครทั้งหมดเนี่ยจุดนี้จุดทีอันตรายไอ้พวกที่ความรู้ไม่ยอมฟังใครเนี่ยว่าตัวเองเต็มแล้วนี่แหละอันนี้เป็นประเภทที่น่ากลัวนะอประเภทน้ําเต็มแก้วเนี่ยไม่ยอมฟังคําใครเยเพราะฉะนั้นให้พวกเรามองตนเองเถเราเป็นน้ําเป็นแก้วประเภทไหนน้นําเต็มแก้ว หรือน้ำพองแก้วหรือน้ำยังไม่มีในแก้วพร้อมที่จะน้อมยอมรับ เ, เรียกว่าแก้วน้ำที่ความข้น เ, เทน้ำไม่ลงเทน้ำไม่เข้าประเภทไหนให้พวกเรามองมองดูตนเองเทท่นี่แหละ เ, เราเป็นประเภทไหนแต่ไม่จริงหลวงพ่อว่าทุกคนก็ได้ความรู้นั่นแหละศึกษามา ความรู้จิตปัญญาของเราแต่เรียนได้ศึกษามาคงจะไม่ไม่ไม่เปล่าทีเดียวถ้าเปล่าทีเดียวก็เหมือนกระเดกเกิดขึ้นมาใหม่ยังไม่มีความรู้อะไรอันนั้นเหมือนผ้าขาวหรือว่าผ้าที่ยังสะอาดพร้อมที่จะย้อมสีได้เอาสีอะไรลงไปก็ได้อันนี้น้ำเราก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ลักษณะน้ำพองแก้วเนะออ เราได้ศึกษาได้เรียนรู้วิชาต่างๆมาแต่วิชาในโลกนี้ไม่ใช่ว่าเราจะรู้หมดทุกอย่างถ้าใครคิดว่าข้าเป็นเฉยยัมผูรู้แจงโลกทั้งหมดอย่างพระพุทธเจ้าเราก็ยกให้พระพุทธเจ้าเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านประกาศเลยว่าวิชาในโลกนี้เรารู้ทั้งหมดเราจะนํามาสอนมากน้อยอย่างไรแค่ไหนให้เกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่าน รัดไว้ในพระไตรปิฎกพระ อ, องค์เจเดตไปอยู่ในขอบสระในป่าแห่งหนึ่งมีในช่วงนะั้นเป็นช่วงใบไม้มันล่วงโรนใบไม้ประดูมันหล่นกลืนกลาดไปหมดในพื้นแผ่นดินพระ อ, องค์ก็นั่งในพื้นแผ่นดินพร้อมกับพระสงฆ์ทั้งหลายพระองค์ก็เอามือกวาดใบไม้ประดูขึ้นมากําหนึ่งาจากนั้นท่านก็ตรัสถามเป็นเป็นเชิงชี้ประเด็นให้ ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายใบไม้ประดูในอยู่ในในกำรร ม, มือของเราเนี่กับไม้ใบไม้ประดูที่มันหล่นอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าใบไม้ประดูอยู่ในกำรร ม, มือของพระพในกำพาะหคือก ร, ร ม, มือของพระองค์นะ้น้อยนิดพระเจ้าค่ะอยู่ในพื้นแผ่นดินมากพระเจ้าค่ะนี่แหละสงฆ์ทั้งหลายเราอุปมาอุปไมยให้ฟัง ทำที่เราได้ตัดรู้ที่โคลนต้นโพวันที่ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่แหละเรารู้ทั้งหมดเหมือนกับใบไม้มันกลื่นกราดอยู่ในแผ่นดินแต่ที่เรานำทคำคาสอนออกมาบอกกล่าวในพระไตรปิฎกหรือประทำคำสอนของเราเนี่ยเหมือนอยู่ในก ร, ร ม, มือของเราเนี่ยที่เราสอนสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรารู้แต่นำมาสอนแล้วไม่เกิดประโยชน์ทาให้ สัพพสัตทั้งหลายในโลกติดอยู่ในราคะโทสะโมหะติดอยู่ในโลกโกรธหลงใช้กิเลสไปในทางที่ไม่ถูกต้องทำให้เดือดร้อนวุ่นวายในโลกวัตะสงสารเพราะนั้นเราจึงไม่นำมาสอนเราที่นำทำคำทำคำสอนของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายแล้วหลุหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเนี่ยแหละที่เรานำทำคำสอนมาสอนเนี่ยถึงจะอยู่ด้วยกัน เป็นพื้นฐานเบื้องตน้นกอย่าเบียดเบียนกันให้มีศีลห้าให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาการอยู่ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขไปดเพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ความรู้ความฉลาดซึ่งกันและกันใ ห, ให้ทาให้ทษชี้หลักเหตุผลให้ซึ่งกันและกันอันนี้คือธรรมที่เราสอนแต่ศิลวิชาที่ ทำศาสตร์รายอย่างนั้นอาวุธอย่างนี้สังหารอย่างนั้นฆ่ามนุษย์อย่างนี้ฆ่าสัตว์ทิฏฐิฉันอย่างนี้เราไม่เคยสอนในหลักธรรมคำสอนของเราเราสอนแต่ให้โลกทั้งโลกอยู่ด้วยกันด้วยสันติดูสรรพสัตว์เกิดมาก็เลยกรรมของเขากรรมคือการกระทําของเขาในอดีตที่เขามาเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิฉันเพราะนั้นอย่าเบียดเบียนเขาผู้ ด, ด้อยกว่าเรา เราก็ให้ความเมตตากับเขาถ้าผู้สูงสรงกว่าเราเราก็ให้ความเคารพเอื้อเฟื้อเพราะเขามีบุญบา ร, รมีอันนี้อดีอดตชาติเขาได้สั่งสมบุญกุศลมาเราก็ให้ความเคารพในระดับในระดับหนึ่งสรุปแล้วก็คือให้รู้จักสถานะของตนเองเราอยู่ในสถานะไหนในขณะนี้เราอยู่ในสถานะครูบาอาจารย์เราก็อยู่ในสสถานะเป็นผู้ให้ความรู้ กับคู่คนเราอยู่ในสถานะซิ์เราก็เป็นผู้ยอมรับเพื่อการศึกษาต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาได้ เ, เราเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็อยู่ในสถานะพ่อแมเอ่เป็นผู้ดูแลลูกๆพวกเราอยู่ในฐานะลูกเราก็อยู่ในฐานะ อ, อยู่ในอบอ้อมของพ่อแม่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา เราได้แต่งงานแล้วกเป็นเราก็เป็นพ่อแม่ของลูกๆไปอีกนี่สรุปแล้วถ้าว่าเรารู้จักสถานะของตัวเองเราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นเจ้านายเราเป็นลูกน้องเราเป็นคนทำงานแต่ละแผนกล้วนแล้วแต่ให้รู้จักสถานะในเมื่อเรารู้จักสถานะของตัวเองล้วก็วางตัวจะทำยังไงสถานะของเราจะสูงขึ้นไปกว่านี้อีกเนีย ไม่ใช่เราจะอยู่ในสถานะเดียวนะถ้าอยู่ในสถานะเดียวคนโบราณก็ว่าถ้าทำนากันนาขอบเล็กนาขอบไม่มีที่จะไม่มีที่จะขยายไปอีกแล้วแปลว่านาขอบเล็กทั้งนั้นก็ติดแม่นม้ำทั้งนี้ก็ติดภูเขาทั้งนี้ก็ติดอะไรแปลว่านาขอบเล็กทำกินอยู่อย่างเก่าแต่ถ้าว่านาที่จะขยายได้เราต้องขยายนา เรียกว่าปรับปรุงที่ดินนาที่มันมีอยู่แล้วให้ดีขึ้นใสปุ๋ยให้ดีขึ้นใส่น้ำอะไรให้มันดีขึ้นด้ืยอความหมันขยันมันผลผลิตมันก็จะต้องขึ้นมาอีกอันนี้แปลว่านารู้จักปรับปรุงนี้ก็เหมือนกันเราอยู่ในสถานะไหนให้ยุให้รู้จักปรับปรุงให้ปรับปรุงตัวเองถีบตัวเองให้มันมีให้มันสูงขึ้น เ, เก็บหอมล้อมรับกเก็บหอมล้อมเล็บ เงินคำทรัพย์สมบัติอควรจะใช้ยังไงควรจะจ่ายยังไงอควรจะรักษาอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหมดนี่นะ่ะอันนี้ผูกใยในการศึกษาถ้าสรุปแล้วก็คือน้ําผ่องแก้วนะอน้ําผ่องแก้วเปรียบเทียบกับน้ําคนที่น้ําำ่องแก้วเอพร้อมที่จะรับได้อแต่พวกน้ําเต็มแก้วเนะเหมือนกับนาขอบเหล็กอ <c oughs> ขยายไม่ออกเพราะงั้นะ มีแต่เชื่อพองผยองพองตัวในโลกนไม่มีใครที่จะเหนือกว่าเราไปได้แต่พวกเราได้สวดพาหุงบทหนึ่งสัจจนิคนสัจจนิคนในครั้งพุทธกาลเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้เรียนรู้เจียนจบในวิชาต่างๆเพื่อเนี่ยแหละเลือกไตเวทพวกพราหมณ์พวกไตรเวทเก่งมาก ใครเป็นที่ยอมรับโตัวว่านะที่ไหนใครเนี่ยยอมถอยกูด ต, ตัวเองเลยพระยองพองตัวหลวงพ่อว่าแต่ท่านก็มาด้พูดในใ น, ใ น, ในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าวิชาความรู้ของเราเนี่ยถ้าไม่ใช้ไอ้อะไรเถาวัลยสมัยก่อนเถาวายเนยเป็นทิศสาวายที่มั่นคงใช่ไหมถ้าทุกวันเนี่ยก็คงจะใช้รวดสลิง ลวดจลิงทําเป็นเกราะมัดท้องตนเองไว้เพื่อไม่ให้ท้องแตกนะเพราะวิชาความรู้ของเราเต็มแน่นหมดเลยใ น, ในท้องของเรานะ่ <c oughs> <c oughs> สัจจะได้คนนะเขาได้เอาไว้เขียนพุงคลโบราณเข า, านะ่ยเอาไว้เขียนพุงกับพุงก็คือกับเพาะหรือท้องเนี่ย เ, เอาเท้าไว้ทําเป็นถักแล้วมัดไว้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าเนี่ยข้านี่ยปัญญาของข้าี่เหนือกว่าใครทั้งหมด อถ้าไม่เขียนไม่พันเอาไว้เนี่ยอพุงของข้าแตกกระเพาะของข้าแตกเพราะอะไรเพราะปัญญาของข้าเนี่ยมากเอไปที่ไหนๆกันนั้นเอาไว้เขียนพุงคนโบราณเขาพันบอกแต่ที่ท่านกับไปพูดไปในสถานที่ใดคนก็ยอมรับเพราะรู้จริงๆค่อแต่มันรู้กับหลงไปอยู่ไกลๆ ก, กันแน่คําว่ารู้กับหลงคํำนี้มันใกล้กันที่นี่ท่านก็ ประกาศในพวกฤทธิวีทั้งหลายคือพระเจ้าแผ่นดินปกครองในเวสาลีภัยสาลีแปลว่าพวกฤทวีห้ารนะปกครองคนละ7วันพอที่เจวันเพืหนึ่งเป็นผู้ปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึง7วันแล้วลดตําแหน่งคนอื่นขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดิ น, น, นปกครองโดยฤทธิสวีในครั้งผู้ใดเจ้ามีมีตั้ง500ร้อท่านก็ในนั้น ไปแนะนําสั่งสอนให้ความรู้กับพวกในกลุ่มนี้แหละพวกนี้ยอมรับยอมรับโอ้โหสั้นจัดจันิคนสันจจานิคนเป็นคนมีปัญญาจริงฮยอมรับแทนกับพยองพองตัวแทนทีนี้เจาก็เขาคนสมัยนั้นก็หวนนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระอนุตพระสมมะโคดมพุทธเจ้าพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้นมาในโลก ท่านเอ้ยเราอยากจะพบจริงๆวะเนี่ยใครที่จะเหนือข้านี่มีไหมวะท้าอย่างนั้นไปอีกนะยทีนี้ก็สมัยนั้นพระองค์ก็ไปไปไ ป, ไปไปไปประกาศพระพุทธศาสนาตามหัวเมืองต่างๆใช่ไหมละ่ะไปหาประกาศตามหัวเมืองต่างๆไปไปไปเลยคนกนหลายก็โอ้โหกิติศัพท์พระองค์ประกาศธรรมเเป็นให้ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้พ้นจาก ให้เห็นตามความเป็นจริงโลกวัตะสงสารเป็นยังไงให้เห็นตามความเป็นจริงคือธรรมของพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงเเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วไปไหนนี่อันนี้พระพุรองค์ท่านสอนควรจะละยังไงถึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตัวไหนที่ทำให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัตฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดคือกิเลสราคะโทสะโมหะ ต้องชำระยังไงต้องใช้ตปะธรรมะชำระยังไงพระองค์กสอนมาโดยตลอดแต่สัจจะที่คนเนี่ยมีแต่สอนให้ความรู้ อ, อความรู้มากวิ ช, ชาไหนตัววิ ช, ชาไหนเก่งไปหมดแต่ที่พระองค์เส ด, ด็จมาถึงเมืองเมืองนั่นเมืองเวสสีทพัยสาลีเขาบอกว่าเ อ, อท่านจะพระพุทธองค์พรุทธเจ้าเส ด, ด็จมาแล้วท่านหรืท่านจะเข้าไปถามปัญหาใช่ไหม เออด้เออเราจะไปจับให้ดูเมื่อกบเหมือนกับขนแก่หนะ่อยขนแก่ยาวๆนะ่ะมาเราก็จะจับกระตุกขนแกะให้ดูมันจะไปได้แล้วเ อ, อมันอยู่หมัดทั้งนั้นแหละเราไม่ได้แพ้ใครเลยไม่ได้ยอมใครล่ะเรื่องปัญญาของเรานะี่ยทีนี้ก็ท่านก็ถามเข้าไปกราบพระพุทธเจ้ากคดิศวีก็พาไปพาไปกันนี่แหละท่านจัดจันิคน เป็นอาจารย์ของพวกข้าพเจ้าจะมาถามปัญหากับท่านสมณะโคโดมสมณะโคโดมเฉพาะตาแปลปวงเออเอาถามได้มีอะไรสัจจานิคนก็บอกท่านสมณะโคโดมท่านปฏิเสธได้ยังไงว่าโลกทั้งโลกนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราท่านปฏิเสธได้เงวว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนกับท่านอาศัยแผ่นดินแล้วก็ปฏิเสธแผ่นดิน ว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีส่วนในการรับรู้รับสาร ว, ว่าเป็นส่วนของตนเองในกระบวนการเนท่านปฏิเสธ ร, ร่างกายว่าไม่ใช่ตัวตนของเราท่านปฏิเสธได้อย่างไอมันผิดอโลกสมมุติเขาอย่างมากๆเขาก็ต้องอาศัยร่างกายว่าเป็นตัวตนของเรามันจึงจะถูกสมณโคลมคิดได้อย่างไรอพอพูดจบแล้วท่านก็ถามเอาสัจจะที่คน เราขอถามหน่อยสิว่าอประเทศมคตเนี่ยภัยาลีเวสาลีพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นใหญ่ในแผ่นดินใช่ไหมใช่เลยสิเพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินผกครองในเมื่อขั้นปกครองเอาพระเจ้าแผ่นดินท่านบอกว่าโทษประหารคนนั้นทําเพชรเขาประหารได้ใช่ไหมใช่ก็ต้องโทษประหารมันก็ต้องโทษประหารเพราะ พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ใหญ่ต้องรักษากฎระเบียบนี่นแหละอันนี้ถ้าสั่งยังไงก็ต้องเป็นอย่างกานใช่ไหมใช่ จ, จัดจ้านิคนก็ยืนยันอ้าวถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นขึ้นมาท่านเป็นเจ้าของของร่างกายใช่ไหมท่านรู้ไหมใจกับกายเนี่ยท่านรู้ไหมนามมธรรมท่านรู้ไหมรู้ครับเขาสอนกันเรื่องนามธรรมาตะ ก, กะอันหนึ่ง แต่โลกประทามรู้ไหมโลกโลกประทามคือส่วนหนึ่งนี่แหละนา ม, มัทธิมกับรูปประทามมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมร่างกายกับใจอยู่ด้วยกันใช่ไมนั่นก็หนึ่งและทีนี้ท่านบอกได้ไหว่าร่างกายนะี่ยอย่าแก่นะเพราะท่านเป็นใหญ่ใช่ไหมอย่าแก่นะแล้วมันยอมไหมไม่ให้ผมงอกไม่ให้ผมฟันหลุดไม่ให้หนังเหี่ยวไม่ให้ตาฟ้าฟางไม่ให้หูตึงท่านบอกได้ไหม ชัดจานนี่คนกันเน่งเอ่งเลยแต่นี่มันบอกไม่ได้ดแต่นี่ออมันไม่อยู่ในโอวาทใช่ไหมพระเจ้าพิมพิสาอปกครองประเทศยังใครทําผีก็ตัดน้าไม้ตัดมือตัดคอได้ใช่ไหมอันนี้เจ้าของน่สั่งไม่ให้ร่างกายแก่แก่เจ็บอแล้วสั่งได้ไหมไม่ได้สั่งไม่ให้มันตายได้ไหมไม่ได้ถ้าสั่งไม่ได้อย่างนั้นจะเป็นของตัวตนได้อย่างไร ใช่ไหมสัจจะถ้าเราไม่สั่งไม่ได้จะเป็นของเราได้ยังไงเป็นอนัตตาใช่ไหมไม่ใช่ตัวตนของเราใช่ไหมสั้นสัจจะนะฮะสัจจะนี่คนก็ยอมอึง่งอะไรไม่รู้จะไปทางไหนท่นเนี่ทางพวกฤทธิสวีห้าร้อยที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเอาแม่โซท่านโซพูดได้สิไม่มีทางไปจะไปได้ยังไงใช่ไหมมันพูดตามความเป็นจริงใช่ไหมคนที่สุดก็ยอมรับเลยทนะ่นเน่ยนี่แหละ ในครั้งพู้ใเจ้ามีด้คณะสัทธา ญ, ญาติโยมถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยคนในครั้งพุทธการไม่ใช่ธรรมดาพวกน้ำเต็มแก้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ยอมรับไม่ยอมรับรั บ, รบฟังคำของใครเนี่ยพอได้พูดที่ไหนน้ำทามน้ําหลาท่วมปากเหมือนกับหมาบ้านี่น้ำไปปูมปากไปหมดไม่ยอมรับฟังไม่รับไม่ยอมไม่ยอมฟังคำของใครเลยตามไม่จริง คนเราเกิดมาด้วยกันกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันใช่ไหมคนหนึ่งก็บมั่งมีคนหนึ่งก็บสีสุขคนหนึ่งก็มีความรู้คนหนึ่งก็มีความรู้แต่และอย่างคนหนึ่งก็ทําไร่คนหนึ่งก็ทํานาทําโรยทาสวนล้วนแล้วแต่มีความรู้ทั้งหมดเราก็ต้องอาศัยเขาเนถึงเราจะมีความรู้ขนาดไหนเราก็ไม่ได้ทํานาเองใช่ไหมล่ะพวกที่เขาทำนาเขาก็ทํานาเอาข้าวมาให้เรากินไง เขาก็มีความรู้อย่างหนึ่งแต่เราไปรู้ไหมวิชาวิชาทำนานั้นไม่รู้ น, ะนั่นแหละวิชาในโลกมันมีมากอมีมากเพราะฉะนั้นข้าใครก็ตามทนงเอพยองพองตนว่าข้าเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดคนนั้นละโง่างามากหลวงพ่อว่าดนะ เ, เพราะฉะนั้นพวกเราให้น้ำพ่องแก้วไว้ดีที่สุดอวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอที่เป็นผู้เข้ามา ศึกษาในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรูก้ก็จริงท่านมะเด่นมาสอนทุกอย่างเท่าท่านสอนแต่เฉพาะจึงให้จะเกิดประโยชน์ทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขในการอยู่ด้วยกันวิธีการเบียดเบียนกันพระพุทธเจ้าไม่สอนอยู่ในกรรมมือพวกเราอ่านดูสิในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าสอนมีบทไหนพระคาถาไหนในพระธรรมคําสอน ตรงไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่ากันเบียดเบียนกันหลังแกกันเอารัดเอาเรียบเหมือนมวลมนุษยชาติมีไหมพวกเราอ่านดูสิมันก็เข้าขายทํานองที่ว่าเราสอนไปเพื่อความผาสเพื่อความสงบสุขเพื่อความผาสุขต่อมวลมนุษย์ชาติให้ให้หมวลมนุษย์ชาติมีความร่มเย็นผาสุขที่การอยู่ด้วยกันต่อสรรพสัตว์ให้รู้จักเขาให้จักเราให้รู้จักสูงรู้จักต่ํา รู้จักสิ่งควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมรู้จักสถานะของตนเองเนให้พวกคนพวกเราทุกคนให้รู้จักสถานะของตนเองพวกเราอ่านด้สิศึกษาด้ยสิหลวงพ่อได้อ่านมาหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นนะลูกหลานนะลูกหลานที่หลวงพ่อได้ชี ป, ประเด็นให้ฟังให้ลูกหลานไปอ่านไปศึกษาด้ยสิจริงไหมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตรีเน่